ถนนเส้นนี้ถ้าเป็นคนที่อาศัยหรือมาใช้ชีวิตในอำเภออัดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาคงจะคุ้นเคยกับถนนสายนี้เป็นอย่างดีเป็นถนนสี่เลนที่มีโค้งน้อยมากช่วงต้นทางสองข้างทางจะเต็มไปด้วยตึกและอาคารที่ผุดขึ้นมาช่วงกลางๆแถวมัสยิดใหญ่จะตัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นเขาคอหงหลังเมืองหัดใหญ่อยู่ไกลๆส่วนช่วงไกลเขตอำเภอเมืองตรงที่เป็นโค้งก่อนถึงสี่แยกน้ํากระจายจะเป็นเนินเขาในช่วงกลางก่อนถึงช่วงปลายของถนนเส้นนี้กลางคืนจะเปลี่ยวมากยิ่งตอนดึกๆรถน้อยๆยิ่เปรี่ยวสุดๆช่วงกลางวันกับหัวค่ําไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะคนอำเภอเมืองและอำเภอหัดใหญ่ใช้เส้นทางนี้ บวกกับรถที่มาจากที่อื่นก็ทำให้พลุกพล่านพอสมควรแต่เพราะรถมากนี่แหละทำให้ถนนเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องคนตายเยอะมากก็ตายจากอุบัติเหตุทางรถนั่นแหละมันก็ธรรมดาของถนนที่มีรถเยอะอยู่แล้วที่จะมีอุบัติเหตุบ่อยๆไม่น่าแปลกแต่จากประสบการณ์ตรงของการขับรถผ่านถนนเส้นนี้บ่อยๆกับจากคนรอบข้างที่เจออะไรแปลกๆยามค่าคืนมาเช่นกัน หากใครมีโอกาสขับรถบนถนนเส้นนี้จะทราบดีว่ารถแรงเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากใสจนหมดไม่เพราะถนนที่ราบเรียบตัดตรงจนแทบจะไม่รู้สึกว่ามีโค้งในช่วงกลางแล้วก็โดนเงาคล้ายคนวิ่งตัดหน้าหากใครตกใจหักรถหลบ ก, ก็มีสิทธิ์ตายโหงกันบ้างคนแล้วคนเล่าหนุ่มๆสาวๆมีอนาคตหลายๆชีวิต เอาชีวิตมาทิ้งบนถนนเส้นนี้มากมายสืบหาข้อมูลได้จากข่าวอุบัติเหตุหรือตามเพจกู้ภัยของหัดใหญ่ใกล้ๆตัวผมนี่ก็เป็นเพื่อนสาวมอราชพาฒนของรุ่นน้องผมคนหนึ่งนั่งรถไปกับแฟนรถก็เสยต้นไม้ผู้ชายรอดแต่เจ็บหนักส่วนเพื่อนของรุ่นน้องผมคนนั้นตายคาที่จบนาคตตัวเองลงบนถนนเส้นนี้ จนเพื่อนเพื่อนที่รู้ข่าวเศร้าใจไปตามๆกันเพราะก่อนเธอจะโดนถนนเส้นนี้กระชากวิญญาณไปไม่นานเธอยังคุยกับรุ่นน้องผมเลยว่าขึ้นรถแล้วมีเสียงลือเล่าปากต่อปากภายในกลุ่มเพื่อนของแต่ละคนที่เจอว่าถนนเส้นนี้มีอาถันบางอย่างจากอะไรบางสิ่งที่คอยหลอกหลอนคนถึงคาดให้ต้องมาพลาดตายโหงบนถนนเส้นนี้ตลอดเวลาที่โอกาสมา ถ, ถึง ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปแต่ผมต้องรู้สึกเปลี่ยนใจและความคิดเพราะในคืนวันเสาร์วันนั้นตอนตีหนึ่งกว่ า, วาเพื่อนของแฟนผมเธอได้ไปท่องราตรีในหาดใหญ่แล้วโมอเตอร์ไซค์ยางรั่วแล้วก็หาร้านป่า ย, ยางไม่ได้เพราะออกมาไกลาจากตัวเมืองเธอเลยโทรหาแฟนผมให้ช่วยปกติแฟนผม จะอยู่อำเภอหาดใหญ่ก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุที่เพื่อนประสบเหตุเท่าไรแต่โชคร้ายที่คืนวันเสาร์แฟนผมจะมาอยู่กับผมที่เมืองสงขลาพอเพื่อนรู้ก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นไม่รบกวนแต่แฟนผมอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้เลยบอกให้เพื่อนเธอที่ไปกันสองคนจอดรถไว้ข้างทางล็อกรถไว้ก่อนแล้วหาที่ซ่อนตัวเถวเท่านั้นเพราะเป็นผู้หญิงทั้งคู่กลัวเกิดอันตราย แฟนผมก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนแฟนผมเป็นคนขับรถเพราะผมขับรถยนต์ไม่เป็นซึ่งแฟนก็ขับเป็นได้ไม่นานนั่งรถกับแฟนผมก็กลัวเหมือนกันเพราะจโมงบินแฟนผมน้อยด้วยแต่แป๊บเดียวเราก็ไปถึงจุดที่เพื่อนจอดรถไว้เกือบๆถึงสี่แยกเอเชียบางกลำ่ำพอเห็นแฟนผมมาจอดพวกเธอก็ออกมาดูจะดีใจมาก บอกไม่รู้จะทำยังไงไกลเมืองจะพากันเข็นหาร้านปะยางก็ทั้งไกลทั้งเปรี่ยวพอดึกแล้วไม่รู้จะพึ่งใครเพราะคนอื่นๆบ้านก็อยู่ไกลๆนึกได้ว่าแฟนผมเป็นคนหาดใหญ่เลยโทรให้ช่วยไม่ทันคิดว่าแฟนผมจะมาอยู่กับผมที่สงขาผมก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากๆเราก็ไม่รู้จะทายังไงเพราะรถแฟนผมไม่ใช่รถกระบะ แต่ก็อยู่เป็นเพื่อนไปก่อนแฟนผมเลยโทรหาเพื่อนเธอที่มีรถกระบะบ้านอยู่แถวแถวควนลังให้มาช่วยรอไม่นานเพื่อนแฟนผมก็มาหน้ายับมาเลยเพราะโดนปลุกกลางดึกแฟนผมก็บอกว่าฝากรถเพื่อนสาวไปไว้ที่บ้านเพื่อนชายก่อนเพราะรถเธอไม่ใช่รถกระบะเดี๋ยวตอนเช้าฝากพาไปปะให้ด้วยเดี๋ยวจ่ายเงินให้เพื่อนแฟนผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องสาวๆเดือดร้อนยินดีรับใช้หิิงสาวสวยนี่ฟรีเลยลูกผู้ชายไม่ทิ้งลายจริงๆผมกับเพื่อนแฟนผมก็เลยช่วยกันเอามอเตอร์ไซค์ที่ยางแบนขึ้นกระบะท้ายรถไปแฟนผมก็บอกเพื่อนเธอว่าเดี๋ยวไปส่งบ้านเรื่องรถไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมารับไปเอาตอนเช้าเ็ษสายเราก็เลยนั่งรถกัน4ี่คนไปส่งเพื่อนแฟน พอส่งเสร็จก็ตีสองกว่าแล้วแล้วก็ขับรถกลับทางถนนเส้นนี้ถนนค่อนข้างโล่งมีรถวิ่งปลาปลายแต่บางช่วงก็ไม่มีเลยแฟนผมก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรเพราะเลยมัสยิดมามันเป็นทางตรงโล่งๆมีต้นไม้เต็มร่องน้ากลางถนนและเป็นทุ่งโล่งๆมองไปได้ไกลทั้งมือทั้งเปลี่ยวมากๆ พอขับขับไปแฟนผมตือหันรีหันขวางมองข้างทางบ่อยๆผมก็กลัวเลยบอกว่าเธอตั้งใจมองทางหน่อยเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตะกี้เหมือนมีคนยืนโบกรถอยู่ตรงร่องน้ำกลางถนนนั่นเลยที่เธอหันมองน่ะเหรอใช่นั่นแหละแต่ไม่แน่ใจเหมือนเขาโบกรถนะ ตะกี้มองกระจกข้างยังเห็นมือเขายื่นออกมาเลยผมนี่ขนลุกเกลียวเลยครับก็พยายามหันหลังกลับไปมองแต่มันมืดมองไม่เห็นอะไรพอรถมันผ่านมาแล้วผมเป็นคนที่เคยเห็นวิญญาณและสิ่งลี้ลับมาพอสมควรแต่แฟนผมเธอไม่อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยดูเธอแปลกใจมากกว่าจะกลัวผมไม่กล้าเสนอความเห็น คนบ้าอะไรมันจะมายืนโบกรถทางเปลี่ยวตอนตีสองกว่าแบบนี้ถ้าคิดตามหลักความจริงยิ่งผมเป็นคนที่ติดตามเพจคู่ภัยของหาดใหญ่เพจหนึ่งอยู่รู้ดีว่าถนนเส้นนี้ปีๆีนึงมีประบาดตายกันเยอะมากๆจนตายแบบงงๆทั้งๆ ท, ที่เป็นทางตรงเลยนะผมเลยบอกแฟนขับไปอย่าวกแวก ไม่ต้องสนใจข้างทางอะไรวิ่งตัดหน้าก็ไม่ต้องหลบไอ้เรื่องเงาดำๆตัดหน้ารถบนถนนเส้นนี้ผมได้รับการบอกเล่ามาจากน้องที่รู้จักทีที่เจอมาบอกคืนนั้นไปเที่ยวกันดึกไปกันสี่คนก็กลับทางนี้แหละพอเลยมัสยิดใหญ่มาทางตรงนี่เลยเห็นแบบที่แฟนผมเจอเป๊ะคือเห็นว่าคนยืนบกรถ แต่มันดึกแล้วไงใครจะจอดคนขับก็ไม่สนใจขับมาได้หน่อยหนึ่งก็เห็นว่าด้านหน้าตรงข้างทางมีเงาคนกำลังทำท่ารีรรอรอคล้ายนักวิ่งผัดที่รอไม้ในสนามน้องคนนั้นก็ชี้ให้คนขับดูก็เห็นกันทุกคนที่ไปเลยว่ามีเงาคนทำท่ารีรรอรอคล้ายคนวิ่งผัดจริงๆงเงาที่ว่ามันเด้งเด้งโดดโดดอยู่ ไอ้คนขับมันก็ตั้งท่ารอแล้วไงพอไปใกล้จะถึงเงาที่ว่ามันก็วิ่งพลวดตัดหน้ารถออกมาเลยทีนี้ไอ้คนขับมันตัดสินใจเมื่อถ้าเป็นคนก็ชนแล้วแหละถ้าเล่นวิ่งออกมาอย่างนี้คนอื่นๆก็ร้องลั่นรถเลยเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นเงาคนวิ่งมาขวางแต่พอไอ้คนขับตัดสินใจชนเงาที่ว่า มันก็หายวูบไปเลยก็เป็นโชคดีของกลุ่มน้องที่ผมรู้จักไปที่คนขับรถมีสติส่วนตัวผมเองตลอดเวลาที่อยู่บนรถก็ย้ำกับแฟนตลอดว่าไม่ว่าไรวิ่งออกมาขวางรถขอให้แข็งใจชนไปเลยถ้าชนคนมันต้องมีเสียงแล้วเราค่อยไปจอดดูช่วยเหลือเอาให้ที่ไม่ใช่คนนี่น่ากลัวกว่าอีกถ้าหักหลบมันก็เป็นต้นไม้รอบด้าน มีแต่ตายกับตายไม่ตายก็เสียรถอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมกับแฟนและน้องคนรู้จักพบเจอมาครับบางคนบอกเห็นเป็นเงาคล้ายหมาตัวใหญ่วิ่งตัดหน้ารถก็มีส่วนตัวผมเองยังไม่เห็นจังๆแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์ที่แฟนบอกว่าวอกแวกมองข้างทางเพราะเห็นคนยืนโบกรถในร่องน้ากลางถนนนั่นแหละพอได้ยินแฟนผมบอกผมก็ขนลุกสู้ ใครที่ผ่านมาทางสายนี้ก็อยากจะกล่าวกันต่อต่อไปนะครับหากท่านผ่านมาทางนี้ในายามดึกๆไม่ว่าจะเห็นอะไรปแปลกๆอย่าหยุดรถของท่านหากมีเงาอะไรวูบตัดหน้าก็ชนไปเลยอย่าได้หักหลบเด็ดขาดภัยจะมาถึงตัวรถที่เร่งความเร็วมาทางตรงสายนี้คุณขับไม่ควรเมอเพราะถ้ามีอะไรปแปลกๆตัดหน้ามันจะตกใจ จนเผลอหักหลบด้วยสัญชาตญาณซึ่งนั่นอาจทำให้คุณและคนในรถพากันตายเหมือนพวกเขากลุ่มนี้ที่กลับไม่ถึงบ้านผมอยากให้คนขับรถคันนี้รอดมาเล่าให้เราฟังเหลือเกินว่าทำไมเพราะอะไรพวกเขาถึงพารถไปชนต้นไม้ในร่องน้ำกลางถนนจนต้องเสียชีวิตแบบนี้ท า, ทางที่ตรงนั้นมันเป็นทางสายตรงผิวถนนก็ราบเรียบ ไม่มีโค้งแม้แต่นิดเดียวเลยเหตุใดรถถึงลงไม่ข้างทางได้มันเป็นเพราะความประมาทหรืออาถรรพ์ของถนนเส้นนี้กันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเจอมากับตัวครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c คร b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ